พระสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายข้อสังเกตบางประการและจุดที่ควรเน้นข้อที่หนึ่งข้อที่ควรคำหนึ่งคือพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทที่จะพึงรับผิดชอบร่วมกันในด้านความเป็นอยู่พระสงฆ์และข้ารือหัดต่างอาศัยซึ่งกันและกันข้ารือหัดอำนวยความสะดวกทางด้านอามิตรพระสงฆ์อำนวยธรรมทาน ในด้านปฏิบัติทุกคนเป็นสหธรร ม, มิกคือปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยมีเมตตากรุณาเป็นคุณธรรมเชื่อมประสานอุบาสกอุบาสิ ก, กามีบทบาท ส, สำคัญไม่น้อยไปกว่าบรรพชิตจะเห็นได้จากปริณิพนธพระองค์ทรงพิจารณาฐานะของพระพุทธศาสนาว่ามั่นคงแล้วจึงตัดสินพระไทยปริณิพน์ เงื่อนไขที่ทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงอย่างหนึ่งในหลายอย่างคือฝ่ายเขาฤหัีพร้อมที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาปราบใดที่อุบาสกอุบาสิกาไม่พร้อมด้านนี้พระพุทธศาสนาจะมั่นคงไม่ได้เพราะฉะนั้นควรคำนึงว่าการฝากพระพุทธศาสนาไว้ในความรับผิดชอบของพระสงฆ์ฝ่ายเดียวชาวบ้านไม่เกี่ยวนั้นไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างจากการตั้งเอตาทัคฉะมีทั้งพระเทระพระเทรีอุบาศกอุบาสิกาแต่ละท่านที่ยกมานี้ล้วนมีบทบาทในการเผยแร่ปกป้องปุ้มชูพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ต, ต, ตามความสามารถของตนจึงควรศึกษาประวัติท่านเหล่านี้โดยละเอียดแนะนำให้อ่านหนังสือพุทธานุพุทธประวัติ ของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวโรรสและหนังสือสาวกนิพพานของพระธรรมโกสาจารย์พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าใครอยากเป็นอุบาสกที่ดีให้เอาอย่างจิตตะคะรหาบดีกับหัตถกะอุบาสกถ้าอยากออกบวชให้เอาอย่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ ส่นในหมูอุบาสิกาก็ให้เอาอย่างนางขุดชุดรากับนางนันทมาตาถ้าออกบวชให้เอาอย่างนางอุบลวันนากับนางเขมาสมัยพุทธกาลท่านที่เอ่ยนามนี้คงมีบทบาทมากแต่ปัจจุบันบางท่านชาวพุทธไม่คุนนามนี้เท่าที่ควรจึงควรศึกษาประวัติของท่านโดยละเอียด ข้อสังเกตข้อที่สองกาตัญยุตตาและกตาตะเวทิตาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากาตัญยูกตาตะเวทีเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพระวจนะว่านิมิตตังสาธูรูปานังกาตัญยุกตาตะเวทิตาเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้าไม่ใช่พุทธดำรัสแต่ถือว่าเป็นพระพุทธพจน์ ในพระบาลีจริงๆเรียกคุณธรรมสองข้อนี้ว่าเป็นภูมิหรือพื้นของคนดีบาลีว่าภูมิเวส ป, ปุริสานงกตัญญูกตเวทิตาถ้าปราศจากคุณธรรมทั้งสองนี้จะเป็นคนดีไปไม่ได้พระพุทธศาสนาเน้นในเรื่องนี้มากในแง่การประยุกต์ใช้นั้น ถ้าแปลกระตันอยู่ว่าผู้รู้คุณของคนอื่นและสิ่งอื่นที่มีคุณต่อเราก็จะกว้างขึ้นจะช่วยให้คนเราเห็นคุณในประโยชน์และมีคุณต่อมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นหากรวมถึงสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยข้อสังเกตข้อที่สาม พระสูตรที่มีชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาสูตรหนึ่งคือเกษะพุตตสูตรหรือกาลามาสูตรมีบันทึกไว้ในติกกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มสิบพระสูตรนี้นอกจากจะให้หลักกว้างๆว่าชาวพุทธที่ดีต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบครอบซะก่อนจึงเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วยังบอกมาตรฐานการตัดสินความดีหรือกุศลความชั่วหรืออกุศลอีกด้วยสาระของกาลามาสูตรไม่ใช่อยู่ที่จะต้องเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรแต่อยู่ที่ควรจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรมากกว่าเป็นการให้บทบาทแก่ปัญญาทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ข้อสังเกตข้อที่สี่ อีกสูตรหนึ่งที่น่าสนใจคือโรนสูตรมีข้อความสั้นๆแต่กินใจคือภิกษุทั้งหลายการขับร้องคือการร้องไห้ในวินัยของอริยะเจ้าการฟ้อนรำคือการเป็นบ้าในวินัยของพระอริยะเจ้าการหเระจนเห็นฟันเต็มปากคือความเป็นเด็กในวินัยของพระอริยะเจ้าเพราะฉะนั้น จึงควรเลิกเด็ดขาดซึ่งการขับร้องฟ้อนรำเมื่อมีความเบิกบานในธรรมก็เพียงแต่ยิ้มแย้มก็พอประสูตินี้เตือนสติคนสองระดับคือระดับชาวบ้านก็เตือนสติว่าอย่าได้หลงระเริงสนุกสนานในการฟ้อนรำขับร้องจนเกินไปรำที่ไหนขับร้องที่ไหนไปที่นั่นดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเสพาที่ไหนไปที่นั่น เพลงที่ไหนไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นท่านว่าเป็นอบายมุกเพราะสิ่งที่ชาวโลกเขาเรียกว่าความสุขความสนุกสนานนั้นในสายตาของพระอริยะเจ้าแล้วก็คืออาการเยี่ยงทารกผู้ไร้เดียงสาเดี๋ยวก็หูเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้หรือเป็นกิริยาอาการของคนบ้านั่นเองสำหรับพระสงฆ์ ผู้ปฏิญาณตนงดเว้นอากาปีิรยาของชาวบ้านหมดแล้วถ้ายังประพฤติเช่นชาวบ้านอยู่ก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งพระสูตรนี้จึงเตือนบรรพชิตทั้งหลายให้รู้จักสำรวมปฏิบัติตนให้เป็นที่เจริญศรัทธาประสาทะของประชาชนอย่าได้ทำให้พระศาสนาเต็มไปด้วยการร้องไห้หรือหัวเราะบ้าคลั่งเป็นที่สลดสังเวชแกวินยูชน ข้อสังเกตข้อที่หข้อที่ควรสังเกตในอังคุตระนิกายอย่างหนึ่งคือประมวลหลักธรรมเรื่องเดียวกันบางครั้งจํานวนองค์ประกอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงไม่เท่ากันในการนําออกไปใช้หรือปฏิบัติจะเอาหมวดไหนก็คงจะได้เพราะองค์ประกอบที่เพิ่มเข้ามาก็ลงรอยกันหรือเสริมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติของอุบาสกมีเจ็ดก็มี8ก็มีตถาคตพลยานมีหก็มีสิบก็มีอ น, นิสง์เมตตา8ดก็มีส1อดก็มีเป็นต้นข้อสังเกตข้อที่6มารดาบิดาเป็นบุคคลผู้มีบุญคุณสูงสุดของมนุษย์เป็นที่เคารพสูงสุด ในบาลีบางแห่งกล่าวว่ามารดาบิดามีฐานะเป็นปรมของบุตรเป็นบุรพาจารย์เท่านั้นในอังคุตระนิกายได้ระบุฐานะสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นอาหุนนยะของบุตรด้วยคําว่าอาหุนนยะเป็นชื่อของพระอริยบุคคลโดยสูงสุดหมายเอาพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่ามารดาบิดา ก็คือพระอระหันต์ของบุตรก็ไม่เป็นการกล่าวผิดแต่ประการใดในยุคสมัยอรหันนิยมอย่างปัจจุบันคนที่ชอบเดินทางไปไหว้ผู้ที่ตนคิดว่าเป็นอรหันตตามที่ต่างๆก็เป็นการเจริญศรัทธาประสาธะดีอยู่แต่ถ้าจะสนใจไหว้พระอระหันต์ในบ้านก่อนก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น ข้อสังเกตข้อที่เจ็ดอังคุตรนิกายให้แงคิดธรรมะมากมายรวมถึงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจอีกด้วยเช่นทูตที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนักการค้าที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรทำอย่างไรจึงอายุยืนแม้กระทั่งโจรที่หากินไม่ยืดเพราะอะไร ข้อสังเกตข้อที่8วิธีอธิบายธรรมะใช้อุปมาอุปไมทำให้เข้าใจชัดเจนขึ้นเช่นเปรียบพระบํมเพนศีลสมาธิปัญญาเหมือนชาวบ้านปรับพื้นที่นาหวานกล้าและไข่น้ำเปรียบสามีปัญญาคนหนึ่งดีอีกคนหนึ่งไม่ดีเหมือนศพอยู่กับเทพหรือผีกับเทวดา ถ้าดีสองคนก็เหมือนเทพอยู่กับเทพถ้าเลวทั้งคู่เหมือนผีอยู่กับผีเปรียบคนดีกับคนชั่วอยู่ห่างไกลกันเหมือนฟ้ากับดินฝั่งนี้กับฝั่งโน้นพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเปรียบคนล้มเหลวทั้งทางโลกและทางธรรมเหมือนคนตาบอดคนประสบความสาเร็จทางการดำรงชีวิตแต่ร้ายศีล เหมือนคนตาเดียวคนที่สมบูรณ์ทั้งสองด้านเหมือนคนสองตาเปรียบคนดีแต่พูดแต่ไม่ทำเหมือนฟ้าร้องฝนไม่ตกคนทำด้วยพูดด้วยเหมือนฟ้าร้องฝนตกด้วยเปรียบการฝึกคนเหมือนการฝึกมา้าใช้ทั้งวิธีละมุนละม่อมและวิธีรุนแรงเปรียบคนโกรธง่ายหายเร็ว เหมือนรอยขีดบนดินคนโกรธง่ายหายช้าเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินคนไม่มักโกรธเหมือนรอยขีดในน้ำเปรียบผู้นำมีคุณธรรมและปราศจากคุณธรรมเหมือนโคจ่าฝูงพาลูกฝูงข้ามน้ำไปตรงหรือคดเปรียบคนไม่มีคุณธรรมเหมือนคนจนคนทำชั่วเหมือนการกู้หนี้ คนทำชั่วและวปกปิดไว้เหมือนการเสียดอกเบี้ยคนทำชั่วถูกนินทาตำหนิเหมือนถูกทวงหนี้คนทำชั่วได้รับความร้อนใจเหมือนถูกตามตัวคนทำชั่วได้ผลกรรมเหมือนคนเป็นหนี้ถูกฟ้องร้องและตัดสินจำคุกข้อสังเกตข้อที่เก้า คำว่าโลกในอังกุตรนิกายนี้ให้ความหมายไว้สองนัยยะคือในหนึ่งบอกว่าโลกคือร่างกายยาวานาคืบทรงบัญญัติโลกการเกิดแห่งโลกการดับโลกและทางให้ถึงความดับโลกที่ร่างกายยาวานาคืบอีกแห่งหนึ่งบอกว่าโลกหมายถึงการามาคุณทั้งห้าแต่เมื่อเพ่งดยความหมายแล้วไม่แตกต่างกัน ข้อสังเกตข้อที่สิบในติกกนิบาตอังคุตรนิกายพูดถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดใหม่สามประการคือกรรมวิญญาตันหากรรมเปรียบเหมือนที่นาวิญญาณเปรียบเหมือนพืชตันหาเปรียบเหมือนยางเหนียวในพืชทั้งสามอย่างนี้รวมเป็นองค์ประกอบอันเดียวกันเรียกว่าคันทัพภะ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบทางรูปธรรมอีกสองรวมเป็นสามองค์ประกอบคือมารดาบิดาร่วมกันมารดามีไข่สุกพร้อมที่จะผสมคันท พ, พะได้แก่ปฏิสนธิวิญญาณกรรมและตัณหาปรากฏพร้อมสำหรับเรื่องนี้โปรดดูที่อินทกาสูตรประกอบข้อสังเกต ข้อที่11เคล็ดลับของการเป็นปราดหรือสูตรแห่งการเรียนรู้ที่ทำให้คนเป็นพหูสูรมีห้าอย่างต้องผ่านขั้นตอนทั้งห้าตามลำดับจึงจะเรียกพหูสูรคือฟังมากรวมถึงการอ่านมากรวบรวมข้อมูลได้มากจำมากจำหลักการใหญ่ๆได้คล่องปาก ท่องจนคล่องไม่ลืมไม่หลงเจนใจคิดจนเกิดภาพขึ้นในใจและขบได้ด้วยทฤษฎีคือนำข้อมูลต่างๆที่ได้ศึกษามาคิดพิจารณาได้ข้อสรุปเป็นของตนหรือสร้างแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาสามารถประยุกใช้อย่างได้ผลดีการเรียนที่ไม่ค่อยได้ผลก็เพราะทำไม่ครบกระบวนการ ไม่ครบขั้นตอนทั้งห้าขั้งตน